ขอความสุขความเจริญที่มีแต่ท่านทุกฟังทั้งหลายเชิงทำจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอประสูตร์ในอุทานติดต่อกันมาโดยลำดับ่อนก่อนได้พูดเรื่องของพระสุภูติซึ่งเป็นพระหันย้อนหลังไปสู่อดีตการ เรามองเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์เรามีพลังแห่งบุญบปาปในอนดีตอยู่เบื้องหลังอำนยผลในชีวิตของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสกรรมที่ตามมาในอดีตบ้างในปัจจุบันบางแต่เรื่องอดีตเราก็ไม่รู้ว่าเรามีอะไรมากน้อยแค่ไหนเพียงใด วันปัญหาที่จะต้องรับผิดชอบจริงๆก็คือการพยายามทำความดีในปัจจุบันตัวอย่างในอุทานบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่กล่าวถึงคุณสมบัติเบื้องสูงอย่างเช่นเรื่องของรพระสุภิตท่านเป็นพระหันที่รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าถึงสองสถานะ คือเป็นกิเลส ท, ที่หมดไปอย่างสงบราบคาบแล้วก็เป็นผู้ควรแก่การทำบุญของชาวบ้านทั้งหลายสงวนทจริงก็เป็นคุณสมบัติทั่วไปของพระหันทั้งหลายเพียงแต่ว่าถ้ามีจุดเด่นก็คือละกิเลสที่เชื่อมโยงไปจนถึง ระดับวาสนาหรือแม้จะละไม่หมดแต่ก็บอบบางลงไปเยอะแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าท่านเจริญพรมิหารเรื่องปรมัญญาตอนที่เข้าไปบินทบาตในหมู่บ้านโดยหวังจะให้ประชาชนที่ทำบุญตักบาทกับท่านเนี่ยได้รับผลบุญมากยิ่งขึ้นก็ตามหลักของ พุทธคุณพ ร, พระสังฆคุณข้อสุดท้ายที่ว่าอนุตรังบุญญเขตตังโลกัสะคือประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นจะยิ่งกว่าตอนนัานก็เป็นยอดแห่งทักินยบุคคลระดับที่เรียกว่าเป็นปฏจกระกบุคลนะครเป็นปาฏิปุกลิกทานอย่างที่พูดไว้ในวันก่อนก็เป็นเรื่องของสังฆทาน ก็เป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันมีเรื่องหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันก็ซ้ำซากพฤติกรรมของสัตว์โลกทั้งหลายมีความรุนแรงแล้วก็ซ้ำซากแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เป็นอาถยากรรมก็จะอยู่ในแวดวงของการผิดศีลห้าก็มีทุกวันนั่น ไม่ว่าในส่วนใดของโลกก็ตามก็เรียกว่าแย่งอาหารกันกินแย่งทินกันอยู่ยังคู่กันพิศวัตแย่อยงอำนาจกันเป็นอย่างามันเป็นสาธารณทั่วไปแก่สัตว์ในกามาวัจรภูมิมคือท่องเที่ยวอยู่ในกามโลกคือกาลพบหรือกามรกามภูมเมื่อก่อนดูข่าว เป็นการรายงานย้อนหลังถึงคดีแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแถวสมุทรสาครนะฟังแล้วก็รู้สึกสลดใจมันเกิดตั้งคำถามขึ้นมาภายในใจว่าเอกการกระทำอย่างเนี้ในมูสัตว์มันมีหรือเปล่านั้นก็คือชายหนุ่มชะ ก, กันนะสิบเอ็ดคน รุมข่มขืนผู้หญิงคนเดียวแล้วก็ฆ่าเขาตายด้วยมันนึกไม่ออกมัคิดได้ยังไงว่าเป็นคนนี่คิดอย่างนั้นได้ด้วยแล้วก็ทำอย่างนั้นได้ด้วยเป็นเรื่องที่น่ากลัวเราก็นึกเจียบเคียงดูว่าเอ๊ะผู้สัตว์เนี่ยมันมีหรือเปล่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็ถ้าที่รู้ก็ยังไม่เคยเจอ ว่าสัตว์เดรัจฉานมีพฤติกรรมรุนแรงขนาดนบางครั้งบางคราวเป็นการเสียสละตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการระดับสั้นๆย่าก่้ๆกับเล็กๆน้อยๆทำลายชีวิตทำลายอนาคตทำลายคนอื่นก็เป็นความรุนแรงที่ซ้ำซาก เราทำยังไงเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่อะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่าปัจจุบันเราไม่สามารถควบคุมสื่อที่ปรากฏมาในรูปแบบต่างๆได้แล้วผู้ทำสื่อเหล่านี้ก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องศีลธรรมเพราะว่าเป็นการทำโดยโลภะ้วยโมหะ ขอให้ได้กันแล้วกันคนอื่นจะเสื่อมเสียยังไงจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงจะประกอบอัจกรรมยังไงกระทบกระเทือนในสังคมยังไงเนี่ยคนเหล่านี้ไม่สมนึกรบดับชอบวันพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่สะท้อนภาพของสัตว์โลกนัานเรียกว่าขณิกาสูตร คือสูตรที่ว่าได้หญิงคณิกาเนะขามาหญิงคณิกานั้นบางทีเรียกว่าหญิงแพทย์สยาบางทีก็เราได้ยินคําว่านักราโสเีหรือนครโสเปณีแต่ดูแล้วเนี่ยมันก็แตกต่างกันคณิกานดูเหมือนจะเรียกโสเณีได้แต่ว่าโสเณีนี่เอามาเรียกหญิงแพทย์สยาไม่ได้ โสดินีแค่ๆกับตำแหน่งทางราชการที่มีการคัดเลือกถึงขึ้นมาทีานี้ก็เป็นเรื่องการแย่งผู้หญิงกันเราทำมย้อนนึกถึงประวัติของพระอิยะบุคคลหลายท่านในสมัยพุทธกาลที่ถูกโควิดตายเหมือนกันหมดแล้วโคคนละตัวกันแต่ยวยักษินีที่สิงโคนั้น เป็นตนเดียวกันเป็นเรื่องของความอาคาดแค้นที่ยกกักษีในตนนั้นเน่มือชาติหนึ่งเนี่ยเคยเกิดเป็นกุลเตรีแล้วก็ก็หากินแบบเนี้ยแบบคณิกาแพทย์สยาเนี่ยแล้วผู้ชายรู้สึกสามหรือสี่คนเนี่ยไปร่วมไปร่วมกับเธอแล้วก็เบี้ยวนะไม่ยอมจ่ายสตางค์ไม่จ่ายสตางค์พอทำเนานะ ไปปล้นทรัพย์สินเงินทองของเธอแล้วก็ฆ่าเธอตายได้มันเป็นเหตุการณ์ก่อนพุทธกาลนะก็เรียกว่าก็คงจะเป็น 10, 10, 10ปม ห, ห, ห, ห, ห, หมื่นหมื่นปีมาแล้วหลายหลายหลายหมื่นปีมาแล้วด้ทําบบแล้วคนละพฤติกรรมแบบนี้ก็ยังทำซากเหมือนเดิมเนนี้คนก็ยังมีพฤติกรรมในลักษณะนี้อยู่ในส่วนต่างๆของโลก ันผู้หญิงคนนั้นเขาก็ผูกใจเจ็บขอจองล่างจองพ่านกันจนกว่าจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏหลุดพ้นจากความทุกข์คนต่อมาก็เวนบ้าแต่เกิดก็อจองล่างจองพ่านกันมาอยู่อย่างนั้นควายหนึ่งไม่ได้จองเวรแต่ว่าควายหนึ่งนั้นจองเวร ฝ่าหนึ่งทำกรรมนะฮะเป็นเหตุแตอีกว่าหนึ่งจองเวรเลยมันก็แรงกว่าแรงกว่ากระบวนกรรมปกติธรรมดาก็ในบุพุตกาเนี่ยติจาที่ได้ก็คือพระภายยะธุรจิระในท่านเนึ่ท่านนี้เป็นพระหันแล้วถูกยักขีนีสิงโคควิดตายผิดนิพพานนะฮะ แดีวก็ท่านผู้หนึ่งก็คือในโจรขาแดงเป็นอนดีตแกฆาตกวันกเกษียณนายุราชการก็ตั้งใจจะทำบุญก็ น, นิ่บนพระสารีบุตรมารับบิณฑบาตเวลาพระสารีบุตรจะกล่าวคาถาโมทนาเนี่ยใจเขาไม่สงบเพราะว่าไปคิดถึงบาปรกรรมที่ฆ่าคนไ พระสารีบุตรท่านใช้วิบารยวิธีที่ตั้งคําถามให้ท่านคิดแล้วก็สับสนในความคิดท่านถามว่าที่บาสุขฆ่านักโทษเนี่ยฆ่าเองหรือว่าพระราชาสั่งให้ฆ่าท่านก็บอกพระราชาสังาาาส่งให้ฆ่าพระสารีบุตรทไม่ไปเสด็จความเป็นบาปหรอกแต่ว่าท่านมีวิธีถามท่านว่าถามว่า าการที่เราปฏิบัติตามคําสั่งของพระราชาเนี่ยเราเป็นบาปด้วยหรือท่านก็นึกว่าไม่บาปเป็นคนซื่อๆก็นึกว่าไม่บาปก็มีสมาธิในการฝังเทศและบรรลุกมกผลเป็นระโสดาบันแต่ต่างส่งภาษาลิบุตรแล้วก็ถูกโควิด ต, ตายถูกยักิยีสิงโ ค, ควิด ต, ตายคุละเมืองกันนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือภูเก็สาธิกุลบุตร เหมือนกันนะฮะถูกโขดตายเหมือนกันก็ได้พระนาคามีเป็นพยะพยะบุคคลหมดมันก็เห็นอย่างหนึ่งว่าบุญก็ทําหน้าที่ของบุญไปบาปก็ทําหน้าที่ของบาปไปแล้วก็ต่างคนต่างก็แยกกันให้ผลส่วนที่เป็นบุญก็ส่งผลให้ท่านเป็นพยะบุคคลส่วนที่จะเป็นบาปก็ส่งผลให้ท่านถูกโขดผิดตาย หนึ่งเป็นพระโสดาลหนึ่งเป็นพระนาคาวหนึ่งเป็นพระอาหารหนะันต์นะฮนีคือแรงก็บาปก็ยังมองว่าทํำยังไงเราจะช่วยเหลือให้สังคมกลัวบาปพูดง่ายๆว่ารู้บาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่ ว, สวเสริมเจริญสุขทุกข์นะฮะทางนรกทางสวรรค์พูดง่ายๆว่าลาเว้นบาปทําความ ทำความดีหรือพูดพูดไ ง, ไง่ายๆว่าทำความดีเลยยังไงยังไงก็ขนาดระดับขีหนห้านี่อย่าละเมื่ท่านคงไม่จะน้าอยู่เพิ่มเยอะพอมาถึงตรงนี้มันแค่ๆกระทึงทางตันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วโอกาสที่เราจะติดต่อกับคนเหล่านี้มันก็มีน้อยเราก็ติดต่อก็ได้ยากเลย พูดออกวิทยุหรือออกโทรทัศน์หรือว่าเขียนเป็นหนังสือหรือเวลานี้ก็เลยไปจนถึงก็รทำเป็นซี ด, ดีก็ไม่มีโอกาสติดต่อ ก, กับเขาเราก็ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนเพิ่มก็ต้องไปมองที่ระบบการจัดการศาึกษาจริงๆมันก็น่าจะสัมมานากันแักครั้งเนี่ยนะเป็นการระดมความคิด เราทำยังไงพัฒนาการทางพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเราพัฒนาความรู้เขาพัฒนาความคิดเขาพัฒนาความสามารถเขาของพวกนี้ก็ประกอบอาชีพได้แล้วก็สร้างตัวเป็นหลักเป็นฐานได้แล้วก็พัฒนาคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการกํากับมันใช้ความรู้ใช้ความคิดใช้ความสามารถเนี่ย คือเวลาฟังก็แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือวิทยุหรือแม้แต่ว่าเขาผ่านรายการอะไรถึงลูกถึงคนเนี่ยก็ดูความคิดเห็นที่เขาแสดงเนี่ยก็ออยังนึกว่านี่ปัญหาที่น่าต้องคำว่าใจเยอะ เร า, าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเราก็รับผิดชอบไม่ได้ในผลกระทบที่จะตามมาถ้าหากว่าทำอย่างนั้นต่อไปจะเป็นอย่างนั้นต่อไปจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยือเราไม่ได้คิดต่อทีนี้คนเราถ้าไม่คิดต่อจนคำพบคาชาติแล้วเนะี่ยยากเพราะชาติปัจจุบันมันสั้นนิดเดียว ปัหาว่าคนจะต้องเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็สังสารวัตรด้วยหมายความว่าชีวิตจะมียอดยกมาตลอดทั้งบุญทั้งบาปทำให้ก็กลัวบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นแก่เขาในชาติปจุบันคือในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปตลอดถึงพบชาติต่ อ, ตอไปพบชาติต่อไปแล้วก็พบชาติต่อๆไป อย่แต่คนจะหลักอย่างนี้มันก็แก้ได้ลดลงไปได้นะเพราะว่าจริงๆเราก็คุมพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้มนุษย์จะต้องคุมพฤติกรรมของตัวเองเรียกว่ามีวินัยในตัวเองมีจิตสํานึกในตัวเองกลายเป็นปัญหาใหญ่มากๆแล้วก็กระจายออกไปทั่วโลกบาั้บางคราวเป็นปัญหาระหว่างประเทศ เราดูข่าวบางเรื่องเนี่ยฉันว่าประเทศหนึ่งมีข่าวว่ามีส่วนในการไปสังหารนายกตุกนสีอีกประเทศหนึ่งหรือว่าอีกประเทศหนึ่งสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังการสังหารประธานาธิบดีของอีกประเทศหนึ่งโอ้มันแรงเนี่ยแต่ทำไปต่มาก็อยู่ในตรงนี้อยู่ในแวดวงของอาจจะจำคือพวกสี่ข้อเนี่ย มันเริ่มบนไหนก็ได้แล้วมาลากกันไปลากกันมาจนครบจนครบสี่บางครั้งเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันเช่นในกรณีของการปล้นบ้านบางทีปล้นฆ่าค่มคืนก็ไปเสร็จเลยเดยครบหมดเลยทั้งทั้งสี่ข้อของสี แล้วก็กลับไปก็อาจจะนำเงินนั้นไปเสียสิ่งเสีติดต่อไปเขียวผิดสิ่งข้อที่ห้าตามไปเลยเพราะตัวอย่างเหล่านี้ก็มีลักษณะอย่างโครงสร้างอย่างที่ว่าแล้วค่ัแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพระเจ้า ก, ก็ทรงประรบเหตุการณ์นี้แล้วก็ทรงเปล่งเป็นพระพุถอุทานความว่า เมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเวรุวันกัลันตะกะนิวาปะสถานคือที่กรุงรัชคฤึ น, นะครพระอารามแรกแห่งแรกก็มีนักเลงสองพวกมีจิตใจที่กำหนัดมีจิตปฏิพัทธ์ในหญิงแพทย์สยาคนเดียวกันดูถทคนทั้งสองพวกนะฮะจะไปแย่งผู้หญิงคนเดียวกัน คือยังนึกว่าในมูสัตว์มันมีหรือเปล่าในรักษย่างนี้แต่ว่าในกรณีข้างต้นเนี่ยไม่มีในะกรณี น, นี้อาจจะมีนะฮะอาจจะมีอาจจะมีได้แล้วก็ในสุขก็เกิดบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันมันก็แรงไปเรื่อยๆจนถึงประหารประหารกันเริ่มต้นก็อาจจะชกต่อย แล้วก็มีเครื่องทุ่มแรงกันไปเรื่อยๆก็บอกโดยฝ่ามือบ้างโดยก้อนดินบ้างโดยก้อนไม้บ้างโดยศัตราบ้างจนในสุดก็มีการบาดเจ็บล้มตายกันไปหรือว่าถึงความทุกข์เกือบตายกันหรือบาดเจ็บเกือบตายกันมีภิกษุทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชสุดคกืก็ได้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าในตอน จนเย็นถึงที่ประทับนะกระสังเล่าเรื่องทั้งหมด่างให้ทรงราบพระพเจ้าสงราบเมื่อความนี้แล้วก็ส่งอุทานนะเปลงอุทานอุทานนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมนัสยานได้มีลักษณะเป็นธรรมสังเวชต่อสัตว์ทั้งหลายที่ เป็นไปทำกรรมเขานะก็านอกวิสัยที่เราจะแก้ไขได้แต่ว่ามันเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่สอนให้คนได้คิด แ, แล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้มันก็ซ้ำซากประรบอะไรนะประรบการทะเลาะ ก, กันก็มีนะฮะประรบแย่งชิงทรัพย์สินกันก็มีแย่งชิงผู้หญิงกันก็มีนะะ ไปหลอกลวงต้นตุ่นคนก็มีแล้วก็กลับมาสู่เนี่ยปทัทถุสรายต่อชีวิตปทัทถุสรายต่อทรัพย์ลุงละเมิดในทางเพศมันก็บุ่นวนกันอยู่อย่างนี้ทรงเปล่งอุทานว่าเป็นจากกา ร, รมคุณที่บุคคลถึงแล้วและชีบุคคลจะผึงถึงเป็นจากกา ร, รมคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโหดทวาคำว่าคุณตัวเนี่ยจริงแปลว่ากลุ่มก็ได้นะแปลว่าคุณของกรรมก็ได้ ก็มีอยู่ห้าอย่าง็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสแต่ตัวนี้ที่จริงมันเรียกปุถะภาเป็นภาษาบาลีที่แปลกที่มันเกิดไม่ได้พอเรียกปุตะภาแล้วติดหลาคนติดทันทีเลยไม่รู้หมายความว่าอย่งไรแล้วเรนี้ก็ยัดกระสายไปพูดเป็นสัมผัสว่าบ้างเย็นร้อนอ่อนแข็งบ้างอะไรต่างๆแต่ดูแล้วมันไม่ค่อยจะน่ากลัว เพราะว่าเป็นอารมณ์ที่คนก็ปรารถนาคนก็ต้องการปัญหาเหล่านี้มันมันเป็นปัญหาเรื่องกามเป็นเหตุการ์เป็นข้าวมูลนะฮะกามเป็นตัวสร้างให้มันเกิดขึ้นโลกเราเป็นโลกของวัตถุ ก, การรมการยื้อแย่ยงการต่อสู้ประาดประหารอะไ ร, รกันกระทำมันก็อยู่ในที่นี้แต่ตอนนี้จะส่งเน้นไปที่กิเลสประเภทราคะมิะัก เต่ตามต้นเหตุประรบนะต้นเหตุที่ประรบว่าคนน้งเลงสองกลุ่มเนี่ยมีความกำหนัดในทางเพศต่อหญิงคัธิกาคนเดียวกันแล้วก็ลามปามด้วยไปจนถึงกับเียนฆ่ากันบาดเจ็บล้มตายกันไปรับสั่งว่าทั้งสองนี้เปลื่อนกลด้วยแล้วด้วยทุลีคือราคะ คือพูดง่ายกิเลสทั้งหมดเนี่ยเรียกวัตุรีที่เคยพูดไว้ในบรรก่อนที่ทรงแสดงตัวนั้นก็แสดงแก่ภิกษุก็แล้วแต่นะตอนนี้ก็เหมือนกันคือพระแดงแก่ภิกษุแต่ว่าต้นเหตุก็มาจากชบ้านแต่ตัวเหตุหลักจริงๆก็มาจากความกำหนัดในทางเพศ ควาต้องการในทางเพศเป็นความสุขทางเนื้อนหนังประเดียวประดายอมเสียสละดชีวิตนะฮะแล้วเย็นอาการของกิเลสว่าราคะมากนี่ยโมหะจะมากโลภะมากเนี่โมหะจะมากโสดะมากเนี่โมหะจะมากพอาการจะทําอะไรแบบ ม, มุ่งม่งอย่างเงี้ยมันจะเยอะมาก พอเวลากระแสะความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นสูงแล้วเนี่ยสติปัญญามันกระเจิงเรียกเหตุผลสติปัญญาก็บินเหนียวฐานาตา ง, าางพวนี้ก็เข้ามาทางประตูกิเลสประเภทราค้าเป็นกิเลสประเภทควยคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อครอบครองเพื่อเป็นเจ้าข้าเจ้าของ แต่ว่าความสวยงามเป็นต้นเนี่ยในแง่จริงๆมันไม่มีอยู่โดยสภาพของมันมันเป็นเรื่องจิตที่ปรุงคิดคิดปรุง ข, ข, ขึ้นเป็นเครื่องจิตกําหนดหรือเจ้าสนายกรรมจิตกําหนดจิตกําหนดด้วยความกําหนับความกําหนักก็เกิดแต่ต้องกําหนัดว่ารูปนั้นสวยกําหนดว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไปรองจิดนั้นหอมรสนั้นนรอ้อยสัมผัส น, น่าจะต้อง ความกําหนัดคือความต้องการทางเพศก็เกิดการกําหนดในลักษณะนี้มันจะมีอยู่สองสองแนวแนวหนึ่งก็เรียกว่ากําหนดโดยนิมิตคือรวบถือไปเลยคนนั้นสวยสัตว์นั้นสวยรถนั้นสวยบ้านนั้นสวยอะไรแต่ละคือเอาไปทั้งชิ้นทั้งอันเลยอยีกงเขเรียกอนุพยัญชนะนคือแยกขนห่วยย่อยเดร่างกายก็อาจจะเอาไปว่อส่วนในส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนเดี๋ยกําหนดเพื่อสวย แล้ก็มุ่งที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองที่จริงความรู้สึกเหล่านี้เคยพบฝรังฝรังก็แสดงความเห็นว่าลักษณะของเสือที่มันกระโดดขยําเอาฟางวางแล้วก็มากินเป็นอาหารเนี่ยที่จริงมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นสุดติดสุดใจต้องการจะกลืนกวางเหล่าตัวนั้นเนข้าไปอยู่ เป็นนื้อเดียวกับตัวเองพรังเขาก็คิดแปลกหรือยังแต่เราเห็นว่าลักษณะครอบครองเนี่ยมันจะเป็นอยังไงเนี่ย้าแรงเลยจะเป็นอย่างนี้คือหมายความว่าตัวจะต้องครอบครองแล้วคนอื่นมาแย่งไม่ได้ถ้าว่าเกิดแย่งมันจะต่อสู้กันระหว่างผู้แย่งกับผู้แย่ง และถึงจุดหนึ่งก็อาจจะไปทำลายสิ่งที่ตัวเองแย่งมันเกิดความรู้สึกว่าเราครอบครองไม่ได้คนอื่นก็ครอบครองไม่ได้เพราะในเราเนี้ยเราจะเห็นว่าคนกลางมางทีก็ถูกฆ่าเลยถูกฆ่าถูกทำลายไปเลยเพราะว่าเมื่อตัวเองไม่สามารถครอบครองได้ก็ไม่ยอมให้นคนอื่นครอบครองบางทีก็อาจจะถูกฆ่าทั้งสองฝ่าย ผิวายที่เราไม่ต้องการให้ครอบครองแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะครอบครองเห็นว่าเขาไม่ต้องการเขาปฏิเสธเขาต่อต้านเขาวางก็เกิดโทษะโดยแสดงเกี่ความรู้สึกเหล่านั้นไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นความใคร้เป็นความใคร้เป็นความปรารถนาในทางเพศที่เป็นความรุนแรงอะไรต่างๆกันในเหตุการณ์มาตอน วาล่นไทยมันก็แนวอย่างนี้ทิ้งลูกประาคาบมันเกิดมันจะทำจิตให้เร้ร้อนด้วยแรงปรารถนาแรงปรารถนาพอแรงเนี่ยอันจะทุ่มเทลงไปเลยเพื่อให้ได้ที่จึงบทเรียนเรื่องนาเกียนในะทศ ก, กัณฐ์กำลังธิดาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะว่า มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันกิเลสมันไม่ได้เกิดเฉพาะราคะแต่มันเกิดมานาะมันเกิดดื้อดึงขึ้นมามันเกิดต้องการเอาชนะมันเกิดกิเลสมันก็เพิ่มขึนม้นก็ออกมาอย่างนี้เลยใสุดเราเราลองดูตอนปลายว่าทศกันเนี่ยไม่ไม่มีเหตุผลเลย มายังไงก็ไม่รู้ขอให้ฉันได้แล้วจ้เอากระดาษธนุมาเป็นคู่ปรับมาเคยเผาลงกามาเนี่ยพอจนแต้มก็มาเนี่ยยอมรับอนุมาเป็นลูกได้นันแสดงถึงความแปรผันที่เกิดขึ้นภายในจิตว่าจะไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ขอให้ช่วยเหลือเกิด การได้การครอบครองกันนั่นเองรับสั่งว่าผู้สนิตรตามอยู่หมายความว่าท่าสนิตรตามอย่างเงี้ยรูปสวยเสียงไปร้องขลิ่นหอมรสอร่อยธัรมบัญ น, น่าจะต้องหรือว่าคนนีสสวยอย่างเงี้ยตัวเองจะต้องการครอบครองในการนี้ก็กำหมุลคนนิสวยแล้วก็ต้องการในครอบครองแล้วสั่งว่าอันหนึ่งการศึกษาอันเป็นสาระ คือศีลหรือพรธหรือว่าชีวิตที่ดีนะะแล้วก็พรหมจรรย์คือการใช้ชีวิตที่ปรเสริการอุปถาม์อันเป็นสาระการบำรุงบำเรือการปฏิบัติที่มันได้สาระ น, ะนี่ก็เป็นส่วนสุดที่หนึ่งถึงความว่า ถ้าดำเนินชีวิตไปในลักษณะนั้นจะปิดกั้นตัวเองเอาไว้คุ้มครองตัวเองไว้ไม่ให้รู้อำนาจแกอารมณ์เหล่านั้นยังไม่ต้องเอาอะไรเอาศีลข้อเดียวเนี่ยนะถ้าดไปที่ศีลมีอยูเนี่ยการกระทําอย่างนี้มันไม่เกิดการกระทํำนี้เกิดเมื่อศีลได้เสื่อมไปแล้วได้ขาดไปแล้วถ้าตัดไปศีลยังอยู่ศาสต์นั้นนงศีลจะรักษา ยังรักษาคุ้มครองคนเอาไว้คือทํายังไงว่าศี่งห้านี่แหละที่คนมองเห็นเป็นญ้าติปากปอคอกแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติเองคือทํายังไงจะสื่อสารยังไงก็ไม่รู้อะแต่ว่าให้คนออกมาในรูปของเคารพพิธีในชีวิตในทครั์ถินในผู้ครองในการรับฟังข้อมูลข่าวสารของการในกันแล้วก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งศิษติตให้โทษ ผู้ตื่นนึนงสิ่งเียบตีได้โทษแล้วนึกวนก่อนเดี๋ยวว่าเด็กไปซื้อขนมที่เป็นขนมจรินองังกฤษแต่มันไม่ใช่ขนมอ่ะเป็นสารอะไรที่มันแช่แล้วก็ให้เกิดความร้อนอะไรนะคนขายก็ไม่รู้เอาอะไรเอามาปนกับพีขนมก็ดีนะฮะเด็กยังไม่ทันกินครับไปกินก็ลกนกปล่อยล้วคงยุ่งทีเนียนั่นคืออะไรก็ ค, คือว่า เวลาเกิดโลภแล้วเนี่ยคนไม่เคยคิดอ่ะไม่เคยคิดถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่คนอื่นแต่ว่ามองไปที่สิ่งซึ่งตัวเองจะได้เราจึงเห็นอย่างหนึ่งว่าพอโลภะเกิดมันเมตตามันเสื่อมจริงจริงกิเลสคนละตัวกันนะโลภะเป็นกิเลสสายโลภะเมตตาเป็นกิลลเกลสสายโทสะ เราตั้งเกตุว่าพอโลภะมันเกิดหรือราคะมันเกิดเนี่ยไม่ตามเสื่อมตามไปแล้วก็โมหะก็เข้มข้นขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยเบี่ยงกลับปีเที่ยวหนึ่งก็โทสะก็เข้มข้นขึ้ น, นด้วยนี่ประการหนึ่งการประกอบตนด้วยความสุขในกามของบุคคลที่กล่าวอย่างนี้ว่าโทษในกามไม่มีพวกนี้น่ากลัวนะฮะ คือถ้าไปเสด็จวัตโทษในกาลไม่มีหรือบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีน่ากลัวนะแต่ละคำเนี่ยเป็นความคิดที่น่ากลัวเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าคนจะตะเลิดไปเข้ารกกระโปรงไปเนี่ยถือว่าการกระทําทั้งดีทั้งชั่วไม่เป็นการกระทําือเครื่องอคิริยทิฏฐินนเนี่ยประโยชเดียวเท่านั้นเอง เขาลก็ขาปุงไปไหนก็ไม่รู้แล้ววัน ถ, ถ้าคนไปนมีความรู้สึกว่าโทษในกามไม่มีคือในแง่ความจริงไม่ใช่ไปเสรกามว่าไม่มีคุณเลยแต่ว่าพรบุกรลบคุณหารแล้วคุณมันน้อยแต่โทษมันมากจะให้สุขนีน้อยแต่ให้ทุกข์มากอปัฏสาดาดุฆากา ม, มาอิติวิญญายะปันนิโตนะ มันดิตรู้ชัดเจนว่าการรมนี้มีสุขน้อยแต่ก็มีทุกข์มากทุกลำดับขั้นตอนนะให้เราต้องเกีรอะไรก็ดามทุกมันจะมากแต่ว่าสุขมันน้อยไม่จะถึงก็ไปเสกเพราะฉะนั้นกรรมของคุณยิงแปลว่าคุณของกรรมก็ได้บางปริยายทรงเน้นที่คุณของกรรม บ า, บางกนนี้ก็เน้นที่กลุ่มของวัตถุที่ใจกาหนดว่าน่าใคร่หน่าปรารถนาน่าพอใจก็คือกันนั้นนะฮะแต่ว่าในที่สุดก็จะแสดงความจริงของสิ่งเดียนั้นรับสั่งเอบไว้ว่าส่วนสุดทั้งสองนี้จึงเป็นที่เจริญแห่งตัณหาและอวิชชาหมายความมาท้า ปฏิบัติในศีลวัด ต, ตามความชื่อถือของคนในสมัยนั้นนะฮะอันนี้ก็หมายความว่าศีลวัดในสมัยนั้นเพราะศีลวัดเป็นจํานวนมากที่มุ่งไปสู่การสู่สวรรค์รพื่อแง่ว่ารับการปรนเปลื้มบำรุงบําเรอด้วยกรรมคุณทั้งหลายใ น, นสวงสวรรค์ พวกบำเพ็ญตะบะเดชาทั้งหลายพวกศีลวัดทั้งหลายเนี่ยแนวแนวนี้ก็พวกหนึ่งทีนี้พวกที่ไปเศวา ก, การรมไม่มีเนี่ยมันยิ่งมืดมันยิง่งยิ่งเพิ่มมวิชาเพิ่มวิชากันไปเรื่อยๆแล้วก็เหตุผลสติปัญญาก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆวาเมื่อตัณหาแล ว, วิชาเนี่ย ก็ทำให้ทิฏฐิเจริญอย่างเช้นสมมุติว่าเรามีตัณหามากเนี่ยเราไปมองอย่างนั้นมองอย่างนั้นเราก็จะเห็นว่าบาบุญไม่มีในรกสวรรค์ไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีแล้วก็ปฏิเสธไปยุ่งหมดเลยอย่างนั้นก็แย่แล้วแล้วก็ พวกเหล่านี้เป็นทางนําไปสู่มิจฉาทิฐิทั้งคู่โราลึกๆเนี่ยมนุษย์ก็กลัวนะก็กลัวก็กลัวทุกข์กลัวเจ็บกลัวตายกลัวแม้แต่กลัวนโลกสวรรค์นี่ลึกๆมันก็กลัวแต่ว่าจะเป็นคล้ายๆกับคนกลัวผีแต่ว่าก็ทําทีเป็นไม่กลัว หรือก็ตะโกนเสียงดังร้องเพลงอะไรอะไรก็ตะโกนเสียงดังไปเรื่อยๆทั้งๆ ท, ที่ลึกๆแล้วเนี่ยแกก็กลัวเพราะเรื่องบาป บ, บุญนี่ยยังไงยังไงมนุษย์ลึกๆมันก็กลัวโดยเฉพาะบาปานะฮะลึกๆก็กลัวแต่ว่าเขาจมืด บ, บอดแต่ด้านเหตุผลในด้านสติปัญญาน้านการคิดเนี่ยก็ททำให้พวกนี้มีความเห็นผิดที่จเจริญขิ้น เพราเราเห็นชัดเจนว่าการไปเห็นประการกระทําไม่เป็นการกระทําผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเขตแล้วก็ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหน้าพ่อแม่ไม่มีคุณอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอาการของความมืดบอดในเชิงเหตุผลแล้วก็ไม่ยอมศึกษาพิจารณาเทียบเคียงสอบทานในเรื่องราวต่างๆทั้งๆที่มันก็เห็นกันอยู่นะ แต่ว่ามี่ข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งในระบบปริยาของพวกเราเนี่ยคือเวลาเขาอุปมาเนี่ยเขาอุปมาเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้ไปเศษบุญบาปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบุญมีเวลาฝนตกรดน้ำต้นไม้ก็แสดงว่าฝนก็ได้บุญบาปมีก็แสดงเวลาฟ้าผ่าต้นไม้ฟ้าก็ต้องเป็นบาปไปโน้นเลยรือคนลเรื่องกันนี่ แล้วก็ชอบยอกอุปมาอย่างนี้แล้วก็แปลกว่าคนที่รับเรื่องเหล่านี้แล้วก็นับถือสืบต่อกันมาได้จากโบราณนะก่อนสมัยพระพุทาธเจ้าคนก็ไม่ได้หยุดคิดอ่ะไม่ได้หยุดคิดคือเรื่องเมืองเรื่องเนี่ยเราเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะเช่นสมมติว่ามีเทพธิดาเป็น ร้อยเป็นพันนะห้าร้อยเป็นพันเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนิมะในเรื่องพระมาลัยเทวเทนเป็นการพูดถึงเทพประบุเทพธทิดาที่ห้อมล้อมพระเสียเรียเมตรใจโพธิสัตว์มาไหวพระจุลามณีเจดียสวรรค์นะแล้วก็พระมาลัย ไ, ไปพบใน่านีน้ตัวเลขมันน่าสยองเน 4ี่โกดกับสี่ทีโกดหนึ่งเนี่ยเท่ากับสิบล้านแล้วสี่โกดสี่ทีก็แสดงว่าสี่สิบล้านเอามาจากไหนมนเกิดสวรรค์มากมา ย, ย่เี้ยเราละเทวดาอาจจะสามารถดิรมิตกายอะไ ร, ะไ ร, ะไรต่างๆได้แต่ปัญหาว่าชีวิตเหานี้มาจากไหนสี่สิบล้านนี่ตั้งประเทศได้หลายประเทศนะ เนี้ก็คือคือเราก็ฟังเรื่อยๆมาเราไม่ได้คิดเราไ่คิดบางทีเราก็ถ่ายทอดไปพอถึงยุคสมัยเนี่ยคนต้องการเหตุผลขึ้นมามันก็พูดยากเรื่องมาเรื่องเราก็พูดทีเฉยมีบริวารมากก็พอแล้วเราไม่ต้องพูดมากเพราะนี้จริงแต่ว่าลงตัวขาาานาดนั้นเนี่ยนะสมมติว่าสี่สิบโกดีกใครไ็นับไม่ไหว啊 นับคนนั้นสี่สิบโกรธมันไม่จะนับยังไงเหมือนกันแล้วก็บอกว่าสมภาร บ, บางพวกไม่รู้ส่วนสุดทั้งสองนี้ย่อมจมดูคือการจมนันมันจมสองแนวแนวหนึ่งคือจมอยู่ในสัสะตะทิจิคือความเห็นมาเชี่ยง เท่งแท้แน่นอนยั่งยืนไม่แปรผันเนี่ยแนวเนี้ยเป็นเหตุให้เกิดตัณหาทั้งสองข้อเนี่ยคือกามตัณหาภระวติตัณหาเนี่ยเพราะปรารถนาความเที่ยงแท้ยั่งยืนแล้วก็ตนเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงแท้อย่างยืนแล้วก็โดยไม่ถามต่อไปว่าถ้าเที่ยงแท้ยั่งยืนเนี่ยอยู่ไปทําอะไร สมมติเราตายไปแล้วเกิดอยู่ในสภาพที่เทียงแค้ยังยืนไม่แปรผันตลอดที่รันดอนเนี่ยถามว่าอยู่ไปทำอะไรเราไม่ได้คิดต่อเรื่องนวหนึ่งก็คิดว่าขาดศูนย์ขาดศูนย์เป็นเหตุได้เกิดวิพัตนาแล้วพวกนี้จะไปเสร็จบาปไปเสร็จบุญ วันทั้งคู่นี่ก็ถือจมลงเป็นที่สุดสองฝ่ายและท่ทานฟังลองสังเกตว่าที่พระเจ้าทรงสแสดงในธรรมจักรวัตนสูตรเรื่องที่สุดสองอย่างน่ะก็อย่างนี้นะคคือการมมรดิาการในการโยกเนี่ยเป็นที่สุดในสายอุเฉตทิฏฐิคือถือว่าทุกอย่างขาดสูญวันพวนี้จะมุ่งตนปือตัวเองในชีวิตปัจจุบันถือว่าตายแล้วก็จบ จบที่เชิงตะกอนไม่ต้องอะไรไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทีนี้แนวทรมานร่างกายเนี่ยถือว่าเที่ยงแท้เียงแท้ยังยืนไม่แปรพันแต่ก็ทั้งสองข้อมีรายละเอียดนะฮะมีรายละเอียดในตัวเขายินรับสั่งว่าส่วนท่านผู้ที่รู้ส่วนสุดทั้งสองนั้นแล้วเป็นผู้ไม่ตกไปในส่วนสุดทั้งสองนั้นเพราะว่าจะมาเดินอยู่สายกลาง เรยนกสายกลางสายการก็เป็นมัธยมปฏิปทาะะและได้สําคัญด้วยการละส่วนสูตรทั้งสองนั้นคือไม่หนักไปซ้ายไปขวาก็โครงสร้างเดียวกับในธรรมจักรวัตนสุในช่วงต้นของธรรมจักรวัตนสุก็แท้จริงเป็นโครงสร้างเดียวกันแต่ว่าทรงสะท้อนจากพฤติกรรมของมนุษย์ออกมาก่อนแล้วก็ลากหนึ่งเข้ามาสู่สภาจิต สูรูปแบบของการใช้ชีวิตที่ในสมัยนั้นเนี่ยนะที่ในสมัยนั้นก็มีการศึกษามีการเข้าใจกันอย่างนั้นแล้วก็รับสั่งโรบัตตะของท่านผู้ที่ดับไม่มีเชื้อเหล่านั้นย่อมไม่มีเพื่อจะบัญญัติทีคนดับไม่มีเชื้อเนี่ยหมายความว่าดับกิเลสดับทุกข์ ไม่มีเชื้อที่จะให้เกิดอีกต่อไปเพราะว่าตัณหานี่มันเหมือนกนอย่างเดียวกับที่เป็นเหตุให้เกิดทีนี้เมื่อกิเลสมันดับแต่บุญบาปก็พอดับตามไปการจะไปพูดว่าท่านท่านท่านไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นเนี่ยบอกว่าย่อไม่มีเพื่อจะบรรลัยว่าอยู่ที่นั้นที่นี้จะไม่ไม่ได้เรียกว่าอะไรล่ะ สุขาวดีพุทธเกษตรเรียกว่าอตามตะมหานคนรเนรพานเรียกว่าอายตนะนิพพานเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้มันไม่มีไม่มีสถานที่ที่ให้บัญญัติเรียกอย่างนั้นไม่มีสภาวะอย่างนั้นเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เป็นภพทีนี้ภพมันมาจากชาติชาติเนี่ยมันมาจากบุญบาป ที่เขเรียกสังขารภพนะฮะทีนี้บุญบาปเนี่ยมันก็มาจากอุปาทานอุปาทานก็มาจากตัณหามาจากตระหนัก็มาจากเวทนานมันก็ไปหายไปเล ย, เลยทีนี้มันมันมันดับก็ไม่สามารถที่จะบัญญัติบัญญัติอย่างนั้นได้คือแม้ใครจะมอง <S 2> <S 2> <S ไปในแนว่านิพพานเท่งแท้ยั่งยืนชั่วนิรันดรเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกนะเป็นก็เป็นแบบพรหมแบบพรหมอย่างที่เชื่อถือกันอยู่ ในสมัยโบราณนะะพระมันรืบแม้แต่พวกพระเจ้าทั้งหลายก็จะมีการเชื่อถือกันในลักษณะอย่างนี้เพราะงั้นความเห็นทั้งสองประการเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเห็นที่ครอบงำโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็แก้ไขได้ยากนะแก้ไขได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าเป็นธรรมชาติของสัตว์โลก เป็ธรรมชาติของสัตว์โลกสัตว์โลกระดับกาลมาวะเจระภูมิเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าอย่างยันตพรมไปแล้วก็โอกาสที่จะถือว่าเชี่ยงง่ายแต่ว่าอยู่ในโลกมนุษย์นี่ถือว่าขาดศูนยน์ง่ายเพราอย่างนักที่ว่าเชี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากภูพรมนะอย่างเช่นพรมที่กุญเจ้าไปทรมานที่ ผมมาโลกเพราะว่าท่านเข้าใจว่าตัวท่านตัวท่านนั้นเชี่ยงแล้วก็ชีวิต ท, ทั้งหลายก็เป็นของเชี่ยงแต่โลกของเราเนี่ยมันอะไรล่ะคือพิสูจน์คนมาเกิดไม่ได้เราก็เห็นแต่คนตายนะฮะไม่เห็นคนคนที่เรารู้จักมาเกิดอย่างคิดแบบพระเจ้าปยญญาสิมันโอกาสที่จท่านท่านจะมองเป็น ความขาดสูงก็มีได้ง่ายแ้วสรุปว่ากระแสความคิดตวเนี้เป็นจิตนิยมกับวัตถุนิยมเนี่ยแล้วครอบงำโลกอยู่โลกเราในสมัยปัจจุบันก็มีทั้งสองแนวแต่ว่าที่จริงแล้วก็หนักไปในทางวัตถุนิยมในมากหนักไปในทางวัตถุนิยมมากกว่าหนักไปในทางจิตนิยมวันถ้าจะเอานิยมสองอย่างนี้นะยังไงในจิตนิยมยันมีทางออกดีกว่าวัตถุนิยม เพื่อฟทังหลายสียงคําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพงทงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกางามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี